พูดคุยวอๆๆเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่รู้ๆแล้วเราจะเริ่มเห็นนิสัยเสียๆของเราเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติมาก oh, oh, oh จากคิดจากการเห็นปัญหาในตัวเองเทียบอิจฉาคนนั้น เมื่อรู้มากเข้ามาเข้าระบากไม้นะครับรู้ครั้งหนึ่งพอมารู้ตัวครั้งหนึ่งว่ามันคิดหรือมีอะไรเกิดขึ้นเรารู้ตัวครั้งหนึ่งเราเห็นมันภายในของ ดังนั้นจากเครื่องราวที่ที่ครับคุณอาจจะสลุกได้งานนี้ จนว่าเราคงคิดเรา M คิดอะไรไปนะ 2 3 เรื่องเลยอ๋อเราคิดเรื่องนั้นอย่างนี้มันคิดซ้อนลงต่อสู้กันใต้น้ําต่างคนต่างไม่มีตีนไม่ติดดินทั้งคู่มันก็เลย มันเห็นโดยไม่ต้องคิดเราเฝ้าดูอย่างนี้พอจะ หรือเกิดสบายใจแบบที่เมื่อกี้บอกผมว่าอยู่ดีโอ้นี่ๆเราก็เริ่มคิดถึง จะเป็นอะไรก็ตามนะความสุขความทุกข์ความปิติความชื่นใจมันทําอยู่ เนื้อว่าจะโดนคงเป็นปัดไปปัดไปในที่สุดไอ้เนื้อๆของพุทธรูปปรากฏขึ้นเองมันปรากฏขึ้นเพราะมันมีอยู่ ที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นครับจิตใจที่แท้แต่เนื่องจากเราใช้ชีวิตมาตามใจตามตลอดดังนั้นมันคล้ายๆผ้าผืนเนี้ยไข่คน แต่วันนี้เรามาปฏิบัติต่อนานเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราค่อยๆกะรดชาน้ําจนเก่าเสื่อมคุณภาพแล้ว เขาโลผ่าเสร็จมือไม่ไม่ทราบแล้วท่านครีวให้ให้มันยาวแล้วท่านก็เริ่มผูกปมที่ 1 แล้วถามพระอรุณนี่อะไรกันอานนท์อานนท์ก็ภาสื่อบอกปมพระเจ้าค่ะแล้วท่านเดินผู้เจ้าก็ผูกอีกวิธีหนึ่งแล้วถามนี่อะไรพระธรรมตอบว่าปมพระเจ้าค่ะอีกแล้วท่านผูกอีกวิธีหนึ่งครบถึง 6 ปมครับ เหลือแต่ปมๆๆๆๆดิปิชอบถ้าสมุดอะไรที่แก้ปมเหล่านี้เธอจะทํายัง ผู้เจ้ากับภรรยาสาธุการนะบอกว่าถูกต้องแล้วแม่นบ่แล้วท่านก็ชี้ว่าปมชีวิตก็เป็นอย่างนั้นปมใจก็เป็นอย่างนั้นที่เราไปรักไปชอบใครเข้านี้ไปยึดถืออะไรเค้าเนี่ยมันเกิดเป็นปมอืมเช่นคนบางคนมีเรื่องอยู่แล้วก็มีปมที่ใจเนี่ยหน้าเศร้าทีนี้ก็ไปดูละครเผอิญเรื่องในมัน มันเขี่ยหรือไปฟังพระเทศใจในตัวเข้าก็รู้สึกไม่ผาสุกหรือไปฟังพระเทศน์ บางครั้งเรารู้สึกอึดอัดนะครับอยู่ใกล้คนที่เราไม่ชอบเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบหรือ มันเนื้อที่ว่างในภายในนี้สําคัญมากครับคนที่อยู่ได้ครอบใจอยู่ยากถึงว่า อยู่จากข้างในเพราะความอยู่เราอยู่ทั้ง 2 ส่วนคือกายมันก็อยู่ในบ้านแต่ๆอยู่ในหัวใจเราเพราะหัวใจเราหด ชีวิตหนักก็สโลว์หัวใจมันหนักแน่นชื่อว่าชีวิตหนักนั่นจริงนี้เห็น เมื่อเขาไม่ทำลายใจตัวเองเค้าก็มีใจ 2 คนเป็นเพื่อน 20 ปีภาย ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งเก่งไม่ใช่คน 2 คนก็ดูเหมือนกันต่างกันเหมือนฟ้ากับ เรเราย้ายหลังเพิ่งเราไปหยิบเอาผึ้งตัวตัวไปเพื่อย้ายรังนี้เป็นปัญหาเราจะๆก็เอาตัวนางพญาตัวเดียวนั่นเองไปไว้ที่ที่ กุศลธรรมอื่นๆนะฮะเครื่องประกอบก็จะตามมาเองนะฮะเปรียบ ก็กําลังติดดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆมันจะเข้าเนี่ยมัน ความรู้สึกตัวนั้นมันเหมือนกับสิ่งที่เป็นอาหารของชีวิตหรือพอเดอร์เป็นตัวชีวิตเองเหมือนที่บางชีวิต เราพูดปฏิบัติในอิริยิริยิมันจะรู้สึกว่าชีวิตลดถอยกลับเข้าไปในตัวมันเองนะแค่มันดูดกลับเข้า มันก็สนุกกับอารมณ์ภายนอกก็สนุกกับอารมณ์ภายนอกมันอย่าอย่าหาของตาภาษาบรรพตัยเขาเรียกตา ผมไม่รู้พวกคนสงขลาเค้าเรียกอย่างนั้นก็บอกมึงอย่าว่ามึงอย่าละโมบนักเลยครับคือพอเห็นเลย <au ld Clerk |nospeech|> ปฏิบัติใน มีem de รู้เรียกว่าได้หัวใจตัวเองคืนมาอย่างนั้นมันจะหดกรอบเข้าไปหดๆเนี่ยเราจะๆว่าเราจะ รูปสําเร็จของบ้านอย่างไรก็ให้ศาสนิกก็สร้างแบบให้ดูทําที่เค้าเรียกคุณแต่ว่า จริงๆธรรมะนี่รู้ล่วงหน้าไม่ได้ครับจะรู้ใบมันเป็นปัญหาเนาะเมื่อเราไปตบัดๆรู้เข้าแล้วก็รู้ เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆไปถึง สมมุติแกดูชาวบ้านเค้าก็เค้าไม่อยากรู้อะไรล่วงหน้าเท่าไหร่เนี่ยอาจ แล้วก็จนกว่าเหตุผลคําอธิบายนั้นมันส่วนคนที่มีสติว่าโลกทุก อยากคิดว่าเป็นสิ่งที่ที่ที่ดีนักนะฮะในนี้ แต่เค้าก็เป็นผู้ๆมันมันรู้ๆเท่าแต่อ่านหนังสือรู้ แต่ว่าที่จริงๆไม่ต้องการความรู้ชนิดนั้นครับอย่างพวกเราทุก แต่โดยความจริงไม่ต้องใช้ความรู้อย่างนั้นมาดูปรากฏการณ์ธรรมชาติง่าย แต่แล้วพอมันพราทิตย์ขึ้นพราทิตย์ตกที่คนภาคใต้แถวพัทลุงพูดกันตลกๆพราทิตย์ลงหลุมพูดอย่างเมื่อคือหลุมที่อากาศระเหย คือหมวดนี้มันก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจมี <c oughs> ลองจินตนาการถึงสิ่งนี้นะครับผมผมทดลองให้ให้สร้างจินตนาการสมมุติว่าเราเดินทางไปในห้วงอวกาศสมมุติ แล้วก็ไปเจอกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกสมมุตินะเราจะพูด คนอินทรีย์สารในชีวิตนั้นนะครับสังสมข้อมูลปรึกทิฏฐิโปรแกรมไว้ในตัวเค้า การตีความนั้นก็มนุษย์นอกโลกเขานั้นเขาจะตีความตามพื้น ท่านอาจารย์ผมต่างฝ่านึงรู้สึกว่าเอ๊ะพูดกันครับรู้ว่าพูดกันไม่ได้รู้ว่าทุกๆสื่อใช้ไม่ได้ผมมีทะเลาะกันนึงครับคืนนึงเนี่ยผมตื่นนี่มาประมาณ 2:00 น. น, น, น, น, นได้ยินภรรยาข้างบ้านด่า ผมตอบได้ไม่มีใครฟังเลยมีแต่คนพูดไอ้คน มนุษย์นี่ครับมันพัฒนาขึ้นถึงระดับที่มีหน่วย <laughs> คือนั่นเป็นสมองกลรุ่นแรกแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเหลือ หุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะเราถอดโปรแกรมออกมันก็ล้มเต็งงงหมดนั้น โดยเฉพาะอารมณ์ที่เรารักคือเครียดมากเรา เนี่ยดิตะมากสมองมนุษย์นี่มีความหน่วยความจํา ดังนั้นจะเหลือแต่ประสบการณ์ง่ายๆของการกินการดื่ม ปัญหารุ่นเพศหนึ่งมันไม่รู้เรื่องแต่ใครทุกคนมีอคติในมันจะจําแหะมันจําประสบการณ์มันจําประสบการณ์ ของการในชีวิตใครต้องให้ว่านี่พูดไม่ถูกต้องแบบที่เมื่อตอนบ่ายนี่ใคร <c oughs> มันทําเป็นประสบการณ์อีกแบบนึงเป็นประสบการณ์ที่ไม่สั่งสมเข้าใจมั้ยมันประสบการณ์ที่สั่งสมแต่ว่าทางธรรม ทบเป็นสึกการอนุเพศสังสมนะฮะมันจะออกไปตรงกันข้ามเช่นนักตําราเนี่ยเค้าอ่านเล่มแล้วเล่มเล่าเล่มแล้วเล่าจนท่านกลายเป็นตู้ประจายประจกเดินได้รู้ทุกครับนั่นคือนักตําราคือนักคิดหรือนักจําครับคือ <c oughs> พอไร้เกิดเคลื่อนไหวมันจะรู้พอรู้แล้ว พูดเกี่ยวกับการเมืองมาพูดก็ได้ๆไม่มีประโยชน์เลยครับแต่พวกเราอาจจะเบื่อนะต้องฟังๆคือคล้าย พูดในสิ่งที่ดีๆนะฮะคือผลของการปฏิบัติก็ไม่สู้ จะทําดีไปกินหญ้าให้ได้ผลก็คือคอเลือดโชคตอนนั้นมันคลายออกได้แล้วมันจะไป ดๆนะครับครับคุณเป็นเพียงเพื่อยังชีวิตรอดถามก็ได้จริงมั้ยคือวันของหมอเอมิลี่ แกคิดค่ารักษา 500 บาทตั้งแต่เมื่อหลายๆสิบ เด็กหนุ่มสาวเติบโตเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ 40 กว่าปีพอแกตายนี่คนร้องไห้ว่าความ Titana